ใมา ก, ก่อนทีมไหนมา ก, ก่อนเราไม่ใช่นะคำว่าวิปัสนาวิปัสนาญยยาณเนี่ยก็าทำตั้งแต่เริ่มเห็นความเกิดดับเราเห็นว่ารูปอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไป รูปอันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไเห็นเปกิดทับแล้วมีช่องว่างนิดนึงรูปเก่ากับรูปใหม่คนละรูปกันนา ม, มาทำเก่าก็บนามมาทำใหม่เนี่ยคนละนามกันจะเห็นนี่เริ่มต้นวิปัสสนาเริ่มตรงนีต้ตามเห็นเนี่ยมันเป็นยานที่ต่ำลงมานิดหนึ่งเ้าเรียกว่าตรงการตามเห็นเนี่ยเบื้องต้นอย่างเราหัดดูก่อนว่ารูปกับ น, นามนี่คนละอันกัน ร่างกายกับจิตใจหรือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้คนละอันกันเราแยกได้อย่างจิตกับเจตสิก ค, คนละอันกันจิตกับรูปกับปายนี่ยคนละอันกันอเรานั่งเรารู้สึกไหมตัวร่างกายของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเริ่มแยกหัดแยกรูปแยกนามนี่เบื้องต้นยังไม่เป็นวิปัสสนานี่ต่อมาเราตามไปเรื่อยๆตามดูแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้รูปกับ น, นามเนี่ยไม่ใช่เกิดลอยๆหรอก มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับอย่างรูปนี้รูปนั่งนั่งอย่นี้นั่งมันเมื่อยเมื่อยนั่งต่อไปไมันได้แล้วต้องขยับหนีความเมื่อยไปจิตใจเป็นคนตัดสิน่าไม่เอาแล้วขยับดีกว่าร่างกายก็ไหวไปตามที่จิตสัง่งรูปเองก็เกิดจากนามรูปนั่งอยู่นี้ดับไปเกิดรูปขยับตัวรูปรูปขึ้นยืนรูปเกิดจากนามคือเกิดจากจิตสัง่ง ยังไม่ใช่วิปัสนานตัวนี้ก็ยังไม่ใช่วิปัสนาหรือเห็นว่า <c oughs> พอตากระทบกับรูปเนี่ยเกิดความรับรู้ทางตาขึ้นมานี่นามมาทําเกิดจากรูปไม่รูปก็เกิดจากนามนามก็เกิดจากรูปยิงอาใส่ขึ้นกันและกัน <c oughs> เห็นอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่วิปัสนานี้พอเรารู้แล้วว่ารูปนามไม่ใช่ของฟุกฟุกไม่ใช่ของเกิดแบบไร้สาเหตุแล้วก็หัดดูต่อไปี วิธีดูตอนนี้เราคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆการตามรู้ตามดูเนี่ยคือการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองหัดเจริญสติปัฏฐานก่อนจะเจริญสติปัฏฐานต้องรู้จักก่อนว่าอารมณ์อะไรเป็นรูปเป็นนามอะไรเป็นสมมุติบัญญัติเนี่ยเราหัดรู้รูปรู้นามเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาได้นี่วิธีการทําสติปัฏฐานหรือการเจร เริ่มต้นจะทำวิปัสนาแต่ยังไม่ถึงตัววิปัสนานะเริ่มๆก็ให้เราตามรู้กายตามรู้ใจกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยการมีสติตามรู้กายเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสตินะตามรู้เวทนาหมายถึงว่ากายเวทนาจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าเข้าไปแทรกแซงให้หัดรู้เฉย พะเราหัดรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่เป็นวิปัสนาตอนเมื่อไรเราเห็นเลยว่าอย่างตอนที่เราหัดตามรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าเออรูปนั่งกับรูปยืนนี่คนละรูปกันนะคนละอันกันเรารู้ว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเมื่อกี้นั่งตอนนี้ไม่ได้นั่งมันใช้เวล า, นะวลามีเวลา ม, มีเวลาก็มีความจำมีความจำมีความคิดเข้ามาใช้นะเห็นไตรักณ์ด้วยการคิดเอา เช่นเมื่อกี้กโกรธตอนนี้ไม่กโกรธอย่างพวกเรามาวัดใช่ไหมรู้สึกไหมจิตตอนนี้กับตอนที่ก่อนอาตมาจะเดินมานี่ไม่เหมือนกันเรารู้เราเปรียบเทียบได้เรื่องนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันครรภแสดงความเปลี่ยนแปลงอันนีนเ้น เ, น เ, น เ, นเรียกว่าสัมมาสัญญาก็ยังไม่ใช่วิปัสนาอันี้แต่เป็นวิปัสนาเราเราตามดูจนชำนาญนะเราตามรู้รูปรู้นามไปด้วย เห็นกายเห็นใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ลงปัจจุบันไม่คิดแล้วต่อไปเนี้เราเห็นเรื่ความโกรธพุ่งปุ๊บปุ๊บขึ้นมาความกรธดับไปปุ๊บไปเฉยๆเฉยๆนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่ละคิดเรื่องอื่นเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาพุ่งขึ้นใหม่ละความสุขพุ่งขึ้นมานั่งดูไปเรื่อยๆตบลงไปอีกดับลงไปอีนมีความเฉยๆมาขั้นนิดหนึ่งอันนี้ดูเจจะสิก็ได้หรือถ้าจะดูจิต นั่งฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็รู้ทางตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูเดี๋ยวรู้ทางใจสังเกตไหมฟังอาจารมาพูดเนี่ยเดี๋ยวใช้ตาดูอาจารมาดูนิดเดียวแล้วหน้าอาจามาก็เบลอไปมาฟังที่อาจารมาพูดหน่อยหนึ่งฟังได้นิดหนึ่งแล้วก็ไปคิดสังเกตไหมตรงคิดนี่ยาวกว่าฟังอีกเนี่ยเราเห็นเนี่ยกอเกิดทางตาแล้วดับเกิดทางหูเราดับเกิดทางใจเราดับนี่เห็นเกิดดับเนี่ยทำวิปัสสนา่ะ เห็นสภาวะเกิดดับแล้วรูปล่ะรูปอายุยืนรูปอายุยืนฝันนำเาะงั้นเวลาดูรูปต้ใช้เวลาเยอะเช่นนั่งนั่งไปนะนั่งไปเรื่อยโอ้เมื่อเปลี่ยนทิศบทเห็นการไหวการเคลื่อนการดูรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆคือดูรูปนี้ดูได้หลายอันกายานุัสสนามีหลายอย่างดูลมหายใจก็ได้ลมหายใจนี้เป็นของที่ยาก เพลมหายใจเนี่ยท่านทําเพื่อให้ได้ฌานเสร็จแล้วก็ไปเดินมิปัสสนาในฌานเงั้นลมหายใจเนี่ยจะไม่ใช่เอามาทํำมิปัสสนาข้างนอกอย่างนี้นี่การรู้อิริยาบถ ส, สนนกกรรี่รูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นมิปัสสนายันนี้ไม่ต้องไปทําฌานก่อนรู้ไปเลยหลักการรู้รูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพื่อเพื่อทีเจ้าสอนไวง้ง่ายๆง่ายบอกว่ากายของเธอตั้งอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่ามันอยู่ในอาการอย่างนั้น แค่นี้เองนะถ้าจะรู้รูปคู่รูปเหยียดขยับ ก, กระดูกกระดิกก็คือเจ้าสอนหัวใจริกแก่นของคําสอนอยู่ตรงที่ว่าให้เธอมีความรู้สึกตัวตามรู้เนี่ยรูปคู่รูปเหยียดเนี่เคลื่อนไหวนเน้นอยู่ที่ความรู้สึกตัวต้องไม่เผลอเนี่ยสัมผัสชัญญบ บ, บะัะเพยงั้นหัวใจของการทําเครื่องกายเนี่ยอยู่ที่ว่ากายเรา เป็นอาการอย่างไรมีอาการอย่างไรรู้ว่ามีอาการอย่างนั้นรู้ไปด้วยความรู้สึกตัวไม่หลงไม่เผลอไม่เพ่งต้องไม่เพ่งด้วยไม่คิดเอาถ้าอย่างนี้เรียกรู้รูปจะเห็นรูปแบบเป็นวิปัสสนาเลยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราไม่หลงไม่เผลอในรูปไม่ใช่ตัวเราเลยเห็นนี้เป็นรูปนึงไม่ใช่ตัวเราอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ใช่เราโกรธเราเกลียดรักละ จะเป็นนา ม, มาทําโกรธนา ม, มาทําเกลียดนา ม, มาทํารักเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันจะแทรกเป็นระยะนะเพราะฉะนั้นมิปัสนาร้อเไม่มีทําได้ทีลักษณะขณะใ ด, ดมีสติมีสัมปชัญญะขณะนั้นทําวิปัสสนาได้ขณะใ ด, ดมีสติอันเดียวไม่มีสัมปชัญญะนะเพียงองอสติจ่อเข้าไปก็คือมีสติแต่ไม่มีปัญญา เรียกว่าหยานวิปยุทธขณะใดมีสติมีปัญญาด้วยรู้ตัวอยู่เป็นหยาณสัมปยุทธตรงที่เป็นวิปัสนาต้เป็นหยานสัมปยุทธงั้นในขณะที่เราดูดูจิตใจเราเนี่ยบางทีจิตทไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่มีสติอยู่แต่ว่าไม่มีปัญญานี้บางครั้งเผลอสติเผลอสติชิดนะชิดไปเรื่องน้นเรื่องนี้ไอ้นี่ไม่มีทั้งสมถะและวิปัสนา เพราะงั้นเวลาเราเดําเนินจิตอย่านี้จิตพลิกอยู่สามอย่างนะอันหนึ่งมีสติมีปัญญาทํนานิพพานได้มีอันนึงมีสตนะิขาดตัววิญญานขาดยานสัมพยุทธ์ขาดปัญญานะทําแต่สมถะอีกอันหนึ่งไม่มีสติเลยหลงไปเลยเวลาดูก็หลงดูเวลาฟังหลงฟังเวลาคิดหลงคิดเพราะนั้นจิตของเราเนี่ยจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะจะไม่อยู่อันเดียวหรอก กระทั Hearts, say, ่งพวกที veterans, say, ่บอกว่ารู้รูปรู้รูปนั่งพอไปคิดว่านี่รูปนั่งนี่หลงแล้วนะคิดว่านี่รูปนั่งนี่ก็หลงจิดแล้วเพราะงั้นดำเนินจิตจริงๆเราจะไม่ฝืนธรรมชาติอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายเนี่ยกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นจิตก็เหมือนกันจิตอยู่ในอาการอย่างไงรู้ว่าจิตอยู่ในอาการอย่างนั้นคิตจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ จิตส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้จิตสักว่ารู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้หลงดูสักว่าดูมันไม่เหมือนกันหลงฟังก็สักว่าฟังไม่เหมือนกันหลงคิดสักว่าคิดไม่เหมือนกันจิตใจล้าเป็นตัวของตัวเองตรงที่เราเห็นความเกิดดับตหน้าต่อตาเนี่ยถึงเดินมิปเสนา เราไม่เอาความคิดเข้ามาใส่ไม่เอาความจําเข้ามาช่วยเห็นอยู่ต่อหนา้าต่อตานี่ยนะพุ่งขึ้นมาดับแกลื่อนดับหรือไ ห, หอวไหวยิบยิบฟีฟีมันก็ดับคือปัจจุบันเนี่ยรู้รูปได้ดแต่รู้นามไม่ได้ <แ ten. S 1> จิตเนี่ยเรารู้ในปัจจุบันไม่ได้จะรู้ต่อกันเรียกปัจจุบันสันติต่อปัจจุบัน อย่างเป็นตัวว่าความโกรธเกิดขึ้นเราจะรู้ในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นรู้ไม่ได้เพราะในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นอกุศลจิตไม่มีสติแต่ทันใดที่มีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยขณะนั้นจิตโกรธดับไปล้จิตดวงที่ไปรู้ว่าโกรธเนี่ยเป็นจิตที่ไม่โกรธเพราะพุทธเจ้าทรงสอนสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาเนี่ยามเป็นคู่ จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะตรงที่รู้เนี่ยคือจิตที่ไม่มีโทสะไปรู้จิตที่มีโทสะจิตขณะปัจจุบันไม่มีจิตในอดีตมีโทสะนี่เป็นมิพัฒนาอันนี้เป็นมิพัฒนาแล้วจะเห็นเลยว่าความโกรธที่เกิดที่นั่นดับไปแล้วเดี๋ยวขณะนี้รู้สึกตัวพรรู้สึกตัวนี้เริ่มคิดเมื่อกี้โกรธเนี่จิตที่รู้ตัวดับไปแล้วเกิดจิตอกุศลขึ้นมาล้จิต ฟูซ่านแล้วก็เกิดจิตอีกดวงนึงรู้เฮ้ยฟูซานไปละเพราะฉะนั้นกุศลแลรกกุศลเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันทียิบเลยอกุศลยาวๆเกิดกุศลแวบเดียวอกุศลอีกยาวๆเกิดกุศลอีกแวบหนึ่งใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันยาวๆไม่เกินวันสั้นก็เห็นตามไหมตามเห็นของนี่มันดับไปแล้วเนี่ยนำมาทำนี่ยิ่งชันเลย แต่แล้วจะเป็นอย่างนี้ตรงที่เห็นดับเนี่ยก็คือว่าพอสติมันไหวขึ้นมีสิ่งอย่างความโกรธพุ่งขึ้นมาตรงที่รู้ว่าโกรธเนี่ยมันเห็นรอยการดับลงไปนะมองเหมือนเห็นหางมันหน่อยหนึ่งมันจะดับแวบลงไปเอ๊เหลืองครับไอโยเชิญมันไปหน่อยถึงจะจะมาตัดความดัอ่ายิงถ้าอ่อาการเห็นนี้เห็นหางหางมัน เห็นปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าอกุศลกับกุศลเกิดพร้อมกันไม่ได้่่าาาวทเห็นเนห็อย่างนี้แหละดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เห็นสภาวะเกิดดับนะนะจะเห็นของไม่เกิดไม่ดับที่เห็นนิพพานเพราะฉะนั้นดวงตาเห็นธรรมจะเห็นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นนิพพานแต่ในขณะที่เห็นนิพพานคิดไม่คิดนะว่าเห็นนิพพาน คิดว่าเห็นนิพานไม่ใช่ล้วของปลอมแนละ้วเขาเป็นบัญญัติขึ้นมาแนละ้วคือจเจริญสติปัฏฐานแก่กล้าเข้าไปนี้ก็จะเข้าไปานวิปัสนาคือเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสนาเนี่ยก็จะ น, น, นําไปสู่วิปัสนาญาณเจริสติปัฏฐานมีทั้งสองแบบอารมณ์ของสติปัฏฐานมีทั้งอารมณ์บัญญัติสมมุติบัญญัติกอารมณ์ที่เป็นปรมาิตย์ รมบัญญัติเช่นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคอยบัญญัตว่าเนี่ยเรียกว่าลมหายใจเนี่ยคือลมหายใจบัญญัตอย่างนี้หายใจไปเรื่อยมันมีเข้ามีออกอ่ามีเข้ามีออกมีอะไรมีบัญญัติอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นสมถะหรือคิดว่านี่ร่างกายนี้เปื่อยเน่าเป็นปฏิกูลยังมีร่างกายของเราอยู่นะนี่ผมของเรานี่ขนเล็บฟันหนัง นี่เป็นสมถะนีอารมณ์ของสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสนาเนี่ยถ้าทางกายเนี่ยก็ะจะมีอานานภารสติบางอย่างนะอย่างเช่นเราอิงหายใจเข้าหายใจออกเราอิงเข้ากับธาตุกรรมฐานลมเย็นเข้าไปลมร้อนออกมาเห็นไหมความแปรปรวนของลักษณะของลมเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนไม่คงที่ตัวลมเนี่ยเดิมมันเย็นอีกขณะหนึ่งลมมันร้อน จะเห็นความเกิดดับของธาตุไฟเนี่ยเดินวิปัสนาเดินยากนะยากนะยากมันยากตรงที่ส่วนใหญ่จะไปหลงจ้องถ้าหลงจ้อง้ในจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตถลำลงไปจ้องไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นคือจะทําวิปัสนาได้จริงเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือสามตัวมีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาสติเนี่ยตามแล้วลึก อะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายก็รู้อะไรแปลกปลอมเข้ามาทางใจก็รู้สังเกตไหมอาตมาใช้เข้าว่าอะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายทางใจก็รู้ไว้ถึงว่าความแปลกปลอมนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วสติก็เกิดตามขึ้นมาไม่ใช่เอาสติดักไว้ก่อนนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพลาดตลงเอาสติไปดักไว้ก่อนเช่นนั่งอยู่นี่สติคอยดักว่าเมื่อไหร่จะเมื่อยเมื่อไหร่จะขยับ หรือนั่งดูจิตเมื่อไหร่จะโกรธเมื่อไหร่จะโลภเมื่อไหร่จะหลง <Okay. S 1> ไปจ้องไว้ก่อนเป็นดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วทาด้วยโลภะนะทําด้วยกันหาจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลรูอย่า ก, ากแต่ว่าถ้าเราไม่คิดมากนะเราตามรู้ไปเรื่อยๆโกรธก็รู้เนี่ยเมื่อกี้โกรธแล้วตอนนี้สมมติ ด, ดูๆยังโกรธอยู่ก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าโกรธอยู่ อันนี้เพรจริงๆแล้วสติปัญญาเราไม่คมขณะที่โกรธกับขณะที่รู้โกร่านกันแต่ว่าถ้าเราโกรธจงเป็นไม่เราโกรธเพรเรามีเหตุให้โกรธ ถ, ถ้าไปกระทบอารมณ์ไม่ดีก็จะโกรธงั้นอย่างสมมติววเราขับรถอยู่คนเขาปาดหน้าป้อมเราก็คิดไอ้นี่มันนักเลงแค่ไหนต้องคิดก่อนนะถึงจะโกรธต้องคิดนิดนึงก็เพื่อโกรธว่าเอ้นี่มันอย่างน้อยก็คิดว่านี่มันปาดหน้าต้องคิดนิดนึงก่อนเราโกรธ คือเราเราตาเห็นรูปเนี่ยรูปไม่มีดีมีร้ายรูปเป็นกลางเป็นวิบากแต่พอเห็นแล้วเราให้ค่าแล้วรูปอันเนี้ยเขาขับรถปาดไม่ดีโทสะก็จะเกิดโทสะเกิดนี้นะันกปฏิบัติเห็นโทสะขนาดที่เห็นโทสะไม่ได้คิดเรื่องเขาปาดโทสะก็ดับเพราะโทสะไม่มีเหตุแต่ว่าพอมาดูโทสะแล้วชำเลืองดูมันหน่อยนึงคิดใหม่ลนะเอ๊ะทำไมโทสะไม่ดับได้ที ดูมันอีกยังไม่ดับเอาคืนดีไม่ดีเนี่ยสู้กันสู้ไปสู้มามาดูแล้วเสร็จแล้วสงสัยเอ๊ะทำไมสติกับโทสะเกิดพร้อมกันไม่พร้อมหรอกเยคนละขณะกันหรือบางทีดูไม่ดูเขาแล้วไม่คิดถึงเรื่องเขาแล้วเอ๊ะสงสัยทำไมมันไม่ดับสักทีนั่งจ้องโทสะเมื่อไหร่มันจะดับเนี่ยไม่ดับหรอกเพราะกำลังมีโทสะอีกตัวหนึ่งอยู่อยากให้โทสะตัวเก่าดับ ง้นโทสะไม่หมดหรอกโทสะก็ยังกลุ so no. okay. <S <S <3 Genius> ่นๆอยู่อยงนี้เพราะว่าถ้าถ้าจิตของเราตั้งมั่นจิตเราตั้งมั่นมีสัมมาสมทีิอยู่เห็นจะสักไว้เห็นจิตจะไม่ถลาไม่ถลำ อ่เห็นกว้างกว้างสีมันแตกกันแค่ไหนอ่านะเห็นนีจะเห็นอารมณ์ปรมาัศน์ได้พระจิตเราตั้งมันม่นไ ม, มไม่มีชื่ออ่าไม่มีชื่อนี่เป็นบัญญัติเราใส่ขึ้นที่หลังอันนี้เดินมาทางสมถายานิสสมถายานิกจะเห็นได้คมได้ชัดอย่างเงี้ยแต่คนที่ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไ ร, รนพวกวิปัสสนาญาณนี้ก็ดูไปเลยดูไปแล้วก็ถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น รู้ว่าจิตส่งออกไปทางตาส่งออกทางหูจิตจะตั้งมั่นเองแล้วจะมาเหมือนที่คุณนําเกลืองเกิด เ, เพราะว่าตอนที่เอามาทําวิปัสสนานจริงๆเนี่ยเราใช้คณิกะสมาธิไม่ออกจากฌานมาแนละ้เสร็จแล้วเขตั้งมั่นกี่หลังนะตั้งกีหงหง่หลังก็ได้นะคือมันมีสองทางไงของคุณน้ำเกิืงทําสมถะก่อนนะพอออกจากจตุจัตตาฌานมาจิตตั้งมัน่นอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานสักว่ารู้สักว่าเห็น น, ะนีสายหนึ่งอีกสายหนึ่งพวกทำฌานไม่ได้คอยรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ไม่ตั้งมั่นเอาสตินั่นแหละมาทำนะแทนที่จะต้องเอาบริกรรมภาวนามาทำอย่างเกิดปฏิภาค เ, เกิดฌานเอาสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไหลทั้งตาไหลทั้งหูรู้ไปด้วนยะพอรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นจะสักว่ารู้ล้ จะไปที่เดียวกันแต่ว่าคนทำอย่างนี้ก็แห้งแ้งหน่อยหแห้งแง้งเรียกปฏิบัติแบบแห้งแง้งสุขวิปัสสะแห้งแง้งแต่พวกชุ่มชื่นก็ใช้เวลาเยอะนะมีข้อดีข้อเสียชุ่มอยู่นานเลินนะมีความสุขก็จะน้อมไปหาความสุขความสบายเป็นพวกที่ไม่มีฌานตัวนี้ ก็น้อมไปหาความฟุง้งซ่านศัตรูคนละตัวกันความสงบกับความฟุ้งซ่านศัตรูเท่าเท่ากันนะแต่เป็นศัตรูที่น่ารักไม่เหมือนกันะความสงบมันน่ากลัวตรงที่มันน่ารักนี่แหละให้สบายด้วยอื ม, มฟุงม้งซ่านไม่มีใครอยากได้ไม่อยากได้แต่บางคนชอบนะฟุ้งนิดๆชอบนะได้นั่งคิดอะไรนั่งคิดความหลังอะไรนี่นะมันมีความสุขที่ฟุ้งแลฟุงฟ้งแล้วก็มีความสุขได้ นี่ถ้าเข้าใจปนใจของจิตนะแล้วก็เอาตรงเนี้มามาใช้ประโยชน์ได้แทนที่เราจะฟุ้งไปเรื่องอื่นเราฟุ้งไปเรื่องที่ใจสบายคิดความหลังอะไรก็ได้พอคิดไปแล้วใจใ จ, ใจสบายจิตมีความสุขค่อยมารู้ว่าจิตกําลังมีความสุขพลิกกลับมาเดินวิปัสสนาได้เพฉะนั้นเราถ้าเราทําเป็นคล้ายๆเราอยู่บนยอดเขาแนละ้วโอ้การปฏิบัติเนี่ยพลิกแปลงได้รอบตัวทําได้หมด่ะ อย่างลูกฝิดหลวงพ่ะพุทคนหนึ่งท่านสอนภาวนาพุทโธเป็นพระพุทโธพุทโธไปเสร็จแล้วคำพุทโธหายไปบริกรรมมาชื่อแฟนเช่าหมคิดถึงแฟนเนินไปบวชกลาว่าเดี๋ยวศึกเราจะไปแต่งละพุทโธพุทโธเอาไปท่องชื่อแฟนมมตชื่อแฟนชื่อมนตรีพุทโธพุทโธมนตริมนิรีหรือชื่อโบก็ได้บูบูบเสร็จแล้วตกใจ ว่ยเราทำบาปหนักแล้วทิ้งชื่อพระพุทธเจ้าไเอาชื่อโบโบมาแทนอย่างเงี้ยวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธบอกผมจะทำไงดีท่านบอกภาวนาโบโบนั่น <c oughs> แหละภาวนาไปมนสิริก็ได้เอามนสิริมนสิ ร, สริพระใจมนชอบปรากฏว่าพุธทโทเนีใ่ใจไม่ชอบใจไม่ชอบสิแ่คแค่แคำเป็นเหยื่อตกตลา ปรกากฏเราสร้างองค์นี้ก็ท่องชื่อแฟนไปเรื่อยจิตรวมพรึบลงมานะเกนนิดนิมิตด้วยเห็นภาพแฟนแบบสวยงามขึ้นมานะบริกรรมไปเรื่อยไม่ยอมเลิกเพื่อนค่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยเหียเหี่ยวเห ย, ย ว, ยยวเรือก็ดูกเน่าไปเ ร, เรือกระดูกขึ้นมาเลยไม่เอาแล้ <c oughs> ง่าดวงเป็นไงบ้างหายยัง <c oughs> อย่าไปทำมันการปฏิบัติไม่ใช่การนั่งทำอะไรขึ้นมาแต่ว่ากายของเราอยู่ในอาการยังไงรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นจิตเรามีอาการยังไงรู้ว่ามันมีอาการอย่างนั้นะปฏิบัติเอาเท่านี้พอเราง่ายปฏิบัติทำอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยากเนี่ยทำไม่ได้ตันหานะทำได้ความอยากอยากปฏิบัติมากทุกข์มากเหมือนต้องมมันอยากมากอยากไม่เลิกทุกข์มากนี่คุณนิรันดร์วินัยมั่ง ตื่นหรือยังจิตจิตตื่นหรือยังเวลาเผลอเผลอเรารู้บ่อยหมเผลอเรารู้ได้เร็วไหมเวลาใจลอยอะไรเงี้ยนั่นแหละนะเผลอแล้วก็รู้ทันว่าเผลอนั่ก็ตื่นขึ้นมาเลยง่ายนิดเดียว ไม่ต้องสะดุ้งก็ได้นะเอารู้เฉยๆแต่มันสะดุ้งก็ห้ามมันไม่ได้นี่รู้ไปเรื่อยๆมันจิตมันเคยนะจิตของเราเนี่ยไหลไปตามความเคยชินยังยเฮี้ยงจิตเคยยังไงก็จะไหลไปทางนั้นจิตเคย สงบก็จะไหลไปหาสงบจิตเคยโกรธก็จะไหลไปหาความโกรธอย่างคนไหนโกรธ บ, บ, บ่อยๆใช่ยิ่งโกรธบ่อยเรื่อยๆเพราจิตมันคุ้นเคยเคยโลภมันก็จะโลภ บ, บ่อยเคยรักมันก็จะรักบ่อยเคยโกรธก็โกรธบ่อยเคยรู้สึกตัวก็จะรู้สึกบ่อยเคยติดความสงบก็จะสงบบ่อยถ้าเรานิยมเราชอ บ, ชอบเนี่ยชบงั้นจิตกไ็ไหลไปตามความเคยชิน หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือพยายามสร้างความเคยชินแบบใหมเ่เคยโกรธเคยโลภเคยหลงรีบรู้ทันไวๆ<ม><น>เปลี่ยนมาสร้างความเคยชินใหม่จ่รู้สึกตัวกายเป็นยังไงรู้จิตเป็นยังไงคอยตามรู้ไปจะเกิดความเคยชินชนิดใหม่ในที่สุดสติจะเกิดบ่อยเราทำสติให้เกิดไม่ได้นะเราจะห้ามอากุศลไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ มันเกิดไปตามความเคยชินหน้าที่เราก็ทําความเคยชินใหม่เวลาคิดก็คิดในสิ่งที่เป็นธรรมะธ ร, รมโมคิดเรื่องอนุสติเวลาพูดพูดเรื่องกถาวัตถุอะไรพูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องความสงบเรื่องการเจริญปัญญาอะไรนี่คลุกคลีอยู่ในหมู่กัลยาณมิตรไปเจอเพื่อนชวนกินเหล้าทุกวันไป สร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้สติเกิดบ่อยการจุนแฟนไม่มาไหนวันนี้อ๋อสางมิตรชิดเลยเนี่ยต้อมวัดนี้นะมีคนตื่นมาเราเราห้าสิบคนล้มีคนที่จิตตื่นขึ้นมาได้เนี่ยห้าสิบคนแล้วลองนับนับดู น, นนะอืม <c oughs> <c oughs> ยังง่วงอยู่นี่เหรอคนไหนคนไหนเนี่ยเหรอยังไม่ได้นับไว้ในห้าสิบคน <c oughs> มันชอบคิดมากเลยแล้วตื่ น, น <c oughs> ยังจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยสงสัยไม่รู้ว่าสงสัยไม่ตื่นรู้ลงปัจจุบันไปเนี่ยก็ตื่น <c oughs> โอ้หลับมากกว่าตื่นนะใน พุทธประวัติถึงมีไงพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะฉันเข้ามมาัทคุปปายาแล้วลอยถาดไปถาดไปจมน้ํานะกระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหนั้งคลิกขึ้นมาพญานาคตื่นขึ้นมาะตื่นโอ้พระพุทธเจ้าเกิดดีองค์แล้วหลับเลยพวกเราจิตตื่นได้แวบหนึ่งก็หลับนะนะพวกเราลูกหลังพญากาลนาคราตื่นยากนะตื่นยากจริงเมื่อวาน เมื่อวันฟืนมีคนหนึงเพิ่งจะตื่นปีหนึ่งนั้ น, นรู้เลยว่าอ๋อสกี่เป็นของทำขึ้นไม่ได้คือพยายามทำมากเลยมีความทุกข์เยอะจะฆ่าตัวตายหลายทีเกิดไม่สบายไม่รู้จะทำไงแล้วมันไม่หายดูร่างกายที่มันไม่สบายไปเล้จิตมันหลุดพูออกมาเลยเห็นไหมฮะ